ขอน้อมๆต่อุณพระรัตนตรัยขอโอกาสพาจารย์ทรงสินและเพื่อนหมู่สงทั้งรูปทุกรูปทุกนามนะก็จเจริญธรรมม่ชีและญาติธรรมทุกท่านนะการที่เราได้ทำวัดเช้านะก็เป็นสิ่งที่ดีมากเป็นการรวบรวมนะคำสอนของพระเจ้าอยู่ในนั้นแทบทั้งหมดเลยนะเขาทรงสอนให้เรา ขั้นแรกก็ให้เราเห็นทุกก่อ น, นหเห็นว่าเออชาติปิทุกขามรณาปิทุกขาการเกิดเนี่ยเป็นทุกการแก่ก็เป็นทุกการตายก็เป็นทุกโศกะปริเทวะทุกกะโทมนะสุปายาสาปิทุกขาการเศร้าโศกลำพัน การไม่สบายกายไม่สบายใจก็เป็นทุกข์ <c oughs> ทรงชี้ให้เห็นทุกข์ก่อนนะเห็นทุกข์ให้ชัดเจนจริงๆแล้วความทุกข์ก็มีอยู่มากมายนะเราก็มีทุกข์ประจําสังขารกนะ็คืออความที่เราเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยก็ <c oughs> ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายเน่ยนี้ไม่พน้นนะแล้วก็เมื่อมีความแก่ความเจ็บความตายแล้วเนี่ยเราก็มีความ โศกเศร้าเสียใจลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจอันนี้ก็เหมือนก็เป็นทุกข์ที่จรมาจรมาชั่วครา ว, วเราแก้ทุกข์ได้ชั่วคราวเหมือนกันแก้ถาวรไม่ได้หรอกนะโดยเพราะความแก่ความเจ็บความตายมัเแก้ไม่ได้แน่นอนนอกจากนั้นก็ทรงชี้ให้เห็นถึงว่าประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจก็เป็นทุกข์ เมื่อพัดพากจากสิ่งที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์อีกปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์อีกนให้เห็นความทุกข์นี่อย่างชัดเจนคราวนี้นก็ทรงชี้ต่อไปว่าที่คนเราเป็นทุกข์ก็เพราะว่าเกิดจากความที่เราไปยึดมั่ น, นใน อุ ป, าา ท, 5, ป, อปาทานขันธ์ทั้งห้าได้แก่รูปูปารธาขันโธเวทันูปารธาขันโธสัญญุปารธาขันโธสังขารูปารธาขันโธวิญญาณูปารธาขันโธก็คือความยึดมั่นในรูปอุปาทานในรูปอุปทานในสัญญาอุปทานในสังขารอุปาทานในวิญญาณ นะก็คือความที่เราอุปทานก็คือความไปยึดมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือรูปรนามหรือกายและใจเนี่ยว่าเป็นตัวเป็นตนของเราเพราะเหตุว่ า, ารเราไปยึดมัน่นในสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจึงเป็นทุกข์แล้วทําไมจึงเป็นทุกข์ในการยึดมั่นในสิ่งเหล่านี้ เพราะเมื่อเรายึดมั่นแล้วเนี่ยเราก็เกิดความรักในสิ่งเหล่านั้นไม่อยากให้สิ่งเหล่านั้นสูญหายไปนะหรือว่าสิ่งเหล่านั้นอจะต้องดีต้องเที่ยงความยึดมั่นในสิ่งใดก็ทุกในสิ่งนั้นพอเรายึดมั่นว่าเป็นตัวตนของเราใครมานินท่าด่าว่าเราเราก็มีความทุกข์เรา ประสบในสิ่งต่างๆที่ไม่พอใจก็เป็นทุกขนะ์หิวก็เป็นทุกข์ร้อนก็เป็นทุกข์นะเมื่อยก็เป็นทุกขนะ์ความยึดมั่นสิ่งเหล่านี้มันยึดติดจนแกะไม่ออกนะว่าอะไรคือตัวตนของเราอะไรไม่ใช่ตัวตนของเรานะก็เลยยึดไปหมดเลยทั้งกายและใจนะอย่างเราเกิดมาปราบนี่เราก็ยึดละเออพอะเรารู้ความแ่เด็กๆ ก, ก, ก็ยึดละว่าตัวตนนี้เป็นของเรา ทางๆนี้มันก็ไม่ใช่ของเป็นของเราเป็นของพ่อแม่ให้มาแท้ๆแล้าส่วนอื่นเราก็ไปบำรุงเข้าที่หลังเราก็โตขึ้นมานะไปยึดมาตั้งแต่เด็กๆจนถึงปัจจุบันนะเราก็จะยึดไปจนกระทั่งถึงความตายนะว่าเป็นตัวเป็นตนของเราตลอดเพราะฉะนั้นอ <c oughs> สิ่งใดที่มากระทบเราใครมาด่าว่าเราเราก็ทนไม่ได้เนะพราะเรายึดในสิ่งนี้ แต่ถ้าไปด่าว่าคนอื่นเราก็เฉยๆเพราะเราไม่ได้ยึดว่าเออคนอื่นเป็นเรานะแต่จริงๆถ้าเราดูไอ้ชั้นแล้วมันเป็นของเราไหมพรนะเจ้าเลยทรงตัดต่อไปว่าให้พิจารณาอย่างนี้นะเพื่อที่จะได้ไม่ยึดในตัวตนของเราก็คือว่ารูปนี้ไม่เที่ยงนะเวทนาะนะ ก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงนี่ก็คือรูปนามไม่ได้เป็นของเที่ยงวิญญาณรูปังอริจังเวทนาอริจจาสัญญาอิจาสังขาราอิจาวิญญาณังอริจังเป็นของไม่เที่ยงคือให้เห็นในความไม่เที่ยงอย่างชัดเจน ตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเห็นได้ง่ายในความไม่เที่ยงนะในร่างกายและจิตใจรูปนามนี่ละมันไม่เที่ยงจริงไหมถ้ามันเที่ยงจริงเนี่ยเราก็ยังเป็นเด็กอย่างเก่านะถ้ามันเที่ยงจริงอเราก็ต้องอ่าผมต้องไม่งอกนะตาก็ไม่ฟางหูก็ไม่ตึงอ่าผิวก็ไม่หย่อนอะ เราก็คงแข็งแรงตลอดไปไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนะมันก็เห็นอยู่แล้วว่าร่างกายมันไม่เที่ยงแน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นร่างกายเราหรือร่างกายคนอื่นก็เป็นสิ่งที่ชัดเจนอย่างยิ่งนะนอกจากร่างกายเราแล้วเนี่ยก็ยังมีสิ่งต่างๆรอบตัวเรามันก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นนะไม่ว่าเราจะใช้อะไรก็แล้วแต่ซื้ออะไรมาก็เสียทั้งนั้นนะไม่เคยใช้อะไรเกินสิบปีหรอก มือถือก็ต้องคอยเปลี่ยนบ่อยๆรนะองเท้าใช้ไม่นานก็สึกไปแล้วใช่ไหมแม้แต่เสือ้อผ้าเราก็ใช้ไม่นานก็ต้องซื้อใหม่มันก็แสดงความไม่เที่ยงเราเห็นตลอดไปนะหลังจากนี้ไม่เที่ยงแล้วเนี่ยพวกเราก็ทรงแสดงธรรมต่อไปว่าอนะรูปังนะนัตตานะเวทนานตา สัญญาณตาสังขารานตาวิญญาณังานตาสัพเพสังขารานิจังสัพเพธรรมานตาติก็ทรงชี้ให้เห็นว่าเออรูปเนะี่ยเวทนาสัญญาสังขาวิญญาณไม่ใช่ตัวเมตตนของเราก็เพื่อที่จะละอความยึดมั่นในตัวตนนี้ออกไปถ้าเราละไม่ได้ในตรงนี้มันก็ยังยึดติดตลอดไป คันนี้มันก็จะมาตรงกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมให้กับปัญจวิคี ร, รีฟังในวันแสดงธรรมจัก ร, รกับปวัฒนสูตรนะเมื่อทรงแสดงธรรมจักรไปแล้วเนี่ยพระอัญญาโคนัญญาก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันด้วยเห็นว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงย่อมดับไปเป็นธรรมดา ยังกินจิกุสละธรรมังสัพพันตังนโิโรธธรรมมนติเมื่อเห็นอย่างนี้ปั๊บก็บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็ขอบวชแล้วก็อปัญจวคียองอื่นก็ขอบวตตามในวันต่ อ, ต อ, ตอมาเนื่องจากบรรลุโสดาบันกันพอหลังนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงอนัตตะลกะนาสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่สําคัญยิ่งเมื่อแสดงแล้วก็บรรลุเป็นพระอราหันต์หมดทุกๆองค์เลยนะ สาระสำคัญของอนตัตตากณะสูตรก็เป็นอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายก็ตอบว่าไม่เที่ยงพระเจ้าข้าเมื่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าภิกษุทั้งหลายก็ตอบว่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้า รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์ควรหรือที่จะยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนของเราภิกษุตอบว่าไม่ควรยึดถือเช่นนั้นพระเจ้าค่าแล้วก็ทรงแสดงแยกรายละเอียดออกไปเรื่อยๆเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารแต่ละตัวแต่ละตัวที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็อเป็นความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนบังคับบัญชาไม่ได้ เมื่อแสดงจบแล้วภิกษุพญวัคคีก็บรรูุเป็นพระรหันต์หมดทุกองค์เลยนะอันนี้จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแสดงธรรมในยุคพุทธกาลนั้นก็จะเน้นในเรื่องนี้เป็นหลักให้เห็นถึงสภาวะความเป็นจริงในพระไตรลักษณ์คือวาไม่เที่ยงเป็นทุกข์และความเป็นอนัตตานะเมื่อแสดงแล้วก็บรรลุเป็นพระโสดาบันบ้าง พระสกิทาคามีบ้างพระอนาคามีบ้างหรือพระอรหันต์บ้างตามที่แต่ละองค์ได้มีการปล่อยการยึดในรูปเวทนาสัญญาสังขารเหล่านี้เพราะว่าเกิดปัญญาความเข้าใจในความเป็นจริงของศรรนะที่พูดว่าศธรรมนี้มันก็คือรวมของทั้งหมดในโลกเลย เพราะจริงๆแล้วศาสนาพุทธนี้ก็ไม่ได้เป็นเป็นศาสนาเท่านั้นเพาราะศาสนาโดยทัท่วๆไปก็จะมีลัทธิเทวนิยมมีพระผู้เป็นเจ้ามีพระเจ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องยึดเครื่องเหนี่ยวเช่นผู้ใดมีความศรัทธาในพระเจ้าปฏิบัติตามที่ท่านสอนมีศรัทธาอย่างเต็มที่แล้วก็จะตายไปแล้วก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์ได้อยู่กับพระเจ้าเป็นต้น หรือผู้ใดไม่เชื่อแม้จะเป็นคนดีแต่ไม่ยึดถือในพระเจ้าเป็นหลักเมื่อตายแล้วก็ต้องไปลงนรกนี่คือศรัทธาความเชื่อในแต่ละศาสนาในยุคนั้นก็เป็นแบบนั้นมาตลอดทุกๆุกศาสนาแต่ในศาสนาพุทธนี้ไม่ได้เป็นลักษณะว่าเทวนิยมแต่เป็นสัาธรรมนิยมศาสนาธรรมนิยมก็หมายความว่าทั้งโลกนะทุกหมู่ทุกเหล่าทุกภูทุกนามไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ ผู้ชายผู้หญิงหรือว่านับถือศาสนาใดก็แล้วแต่ล้วนได้ตกอยู่ในกฎภะไตรักทั้งนั้นก็คือมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือไม่ให้ตัวไม่ให้ตนบังคับบัญชาไม่ได้ทั้งนั้นนะไม่ว่าใครใครจะนับถือศาสนาไหนก็ตกอยู่ในสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นและพระ อ, องค์ก็ได้ทรงชี้หนทางที่ออกจากความทุกข์ให้ได้จริงๆนะเมื่อปฏิบัติตามที่พระ อ, องค์ได้ทรงแสดงแล้วเนี่ย ก็ออกจากความทุกข์ได้จริงๆะพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายได้จริงๆถึงพระนิพพานได้จริงๆไม่ว่าจะอยู่ในศาสนานใดๆก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นหลักการของพระศาสนานี้จึงเป็นหลักการเพื่อความบรรทุกข์ไม่ใช่เพื่อความยึดติดเพื่อความเลื่อมใสศรัทธาอันเป็นเหตุให้ปัญญาถูกปิดกั้นไปนะ ชี้หนทางว่าอะไรที่มันจะเป็นความอิสระของจิตและใจจากการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายครนะาวนี้เมื่อเราปฏิบัติตามในเช่นนั้นแล้วเราก็ออกจากในภาวะแห่งการยึดมั่นถือมั่นเหล่านั้นได้นั่นแหละคือหนทางแห่งความพ้นทุกข์ที่แท้จริงแล้วก็ไม่ต้องเวียนบ่ายกลับมาเกิดใหม่นะคราวนี้เราจะสังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่าในสมัยพุทธกาลนั้น ในยุคใหม่ๆนะยุคใหม่ๆนี่จะเป็นการฟังธรรมแล้วก็บรรลุเป็นพระอริยเจ้ากันแทบทั้งนั้นแทบจะไม่ได้มีการปฏิบัติธรรมเลยนะยกตัวอย่างาพระปัญญวคีนี่แหละก็เป็น เ, เป็นพระมาก่อนก็ไม่ได้ปฏิบัติต่างๆมากมายเามื่อฟังธรรมแล้วก็สําเร็จนะเป็นพระโสดาบันพระอาหารหันต์กันนะแล้วหลังนั้นก็ไปโปรด าชดินมหากัสปะนาทีกาสปะขยากัสปะชะดินสามพี่น้องมีมบริวารรวมกันหนึ่งพันองค์เป็นผู้ที่บูชาไฟแล้วก็จส่งแสดงอาทิตตะปรยายสูตรคือความเป็นของร้อนนะตาเห็นรูปก็ร้อนหูได้ยินเสียงก็ร้อนลิ้นกายใจเป็นของร้อน เพราะว่าชดินเป็นผู้ที่บูชาไฟก็เลยแสดงสิ่งที่ของร้อนให้ฟังว่าไม่ใช่ไฟเป็นของร้อนแต่ใจเราเนี่ยเป็นร้อนว่าจะดับไฟในใจในกายเราเนี่ยได้อย่างไรอเมื่ อ, อชดินหนึ่งพันสามลูปฟังทำขก็บรรลุปเป็นพระหรหันธ์ทั้งหมดเลยนะก็เกิดจากการฟังไม่ได้ปฏิบัติอะไรนะเราสังเกตรตรงนี้อดีไม่ได้ปฏิบัติอะไรอหลังนั้นก็มีอามาลบอีกสามสิบรูป มานพนี้ก็มีคู่กันทั้งนั้นนอกจากมีอยู่คนหนึ่งไม่มีคู่ก็คือคู่คลองนะก็เลยไปหาโสเภณีมาเป็นคู่อโสเภณีเห็นมานพทั้งหลายไปอาบน้ําก็เลยขโมยสิ่งของมีค่าหนีไปมานพนั้นก็ออกมาตามะก็ไม่เจอก็มาพบพระเจ้าก็ถามพระเจ้าว่าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งผ่านมาทังนี้ไหมขโมยของมา พระเจาบอกว่าเออเธอจะหาผู้หญิงหรือจะหาตัวตนของตัวเองอาหมานกบอกว่าจะหาตัวเองก็ส่งแสดงทําให้ฟังก็บรรลุปเป็นพระรหันท์ทั้งหมดเลยนะจะเห็นว่านี่ก็เป็นการฟังในแท้ไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติอะไรเลยนะหรือพญาสาก็เหมือนกันพญาสาก็อยู่ในบ้านที่มโหรานใหญ่โตนะมีคนใชนะ้เป็นผู้หญิงก็นอนเกลือกกล้วน้ําลายไหลดูแลก็น่าสังเวช ก็เกิดความอสังเวชในใจก็บอกว่าเออที่นี่บุญวายหนอะที่นี่ขัดข้องหนอก็เดินไปเรื่อยๆจนถึงปลายสิปะนะมันเลือกทายวันก็จะบอกว่าที่นี่ไม่ขัดข้องที่นี่ไม่บุญวายะก็ส่งแสดงทําให้ฟังฟังครัง้งแรกก็บรรลุเป็นพระโสดาบันฟังที่สองก็บรรลุเป็นพระอารหันต์นะอันนี้ก็เห็นว่าไม่ได้ไปบททัตรธรรมเหมือนกัน นอกจากที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแล้วมีผู้ที่บรรลุเป็นภรราริยเจ้าแล้วแม้แต่ภาษาบอกแสดงธรรมก็สามารถบรรลุได้เหมือนกันเช่นพระติสติสสะติสส า, ามานนก็คือพระสาเีบุตรในขณะนั้นเห็นพระอาตชิไปบิณฑบาตอยูอ่มีความสํารวมกิริยามมตยาผิดจากนักบวชทั้งหลายมีการสํารวมในตาหูจมูกลิน้นกายใจ ก็เกิดความเลื่อมใสก็ตามมาก็ถามมากราพระอาสัชชอผู้ใดเป็นาศาสดาของท่านพราศาสตาท่านแสดงธรรมอะไรขอท่านแสดงให้ฟังพระอาสชชีบอกว่าเข้าพเจ้าเป็นผู้บวชใหม่ยังไม่อาจจะแสดงธรรมได้ฉะนั้นก็ขอฟังที่พระาศาสตาแสดงธรรมก็แล้วกันท่านเลยแสดงธรรมสั้นๆว่า่าทำใดเกิดแต่เหตุ พระเจ้าได้ทรงแสดงเหตุและการดับของทานนั้นพอฟังเท่านั้นอพระอติสสะก็บรรลุเป็นพระโสดาบันอันนี้เกิดจากการฟังนะมาจาฟังอยากสาวกก็บรรุเป็นพระโสดาบันได้อติสสะก็กลับมา <c oughs> กลับมาที่สำนักของอสนชัยพิพาชกก็มาเจออโกเลตา ก, ก็คือพระโมคคันนะ เขอมบอกนะเห็นติสสาเดินมาหน้าตาผ่องใสก็เลยถามาเออท่านคงจะได้อะไรดีๆมาเนาะเล่าให้ฟังหน่อยอติสสาก็บอกว่าได้ไปฟังธรรมจากพระอัสสชิมาได้ทรงสแสดงว่าพระเจ้าได้ทรงสแสดงธรรมอย่างนี้ว่าธรรมใดเกิดแต่เหตุพระเจ้าได้ทรงสแสดงเหตุและการดับของธรรมนั้นโกเลตตาได้ฟังตอนนั้นก็บรรลุเป็นพระโสดาบันเหมือนกัน นะอันนี้เราจะเห็นว่าเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติธรรมอะไรเลยนะเพราะว่าอยู่กับเป็นฉดินด้วยการที่ได้ฟังก็บรรลุเป็นพระอริยเจ้าได้นะเพราะฉะนั้นในยุคล่าๆนั้นเกิดจากการฟังธรรมเป็นหลักคราวนี้เออฟังธรรมแล้วบางคนก็ฟังแล้วทําไมถึงบรรลุบางคนฟังแล้วไม่บรรลุเพราะเหตุใด พ่อปการแรกก็ต้องยอมรับ ว, ว่าผู้ที่เกิดในยุคพระพุท จ, จ้านั้นก็เป็นผู้ที่มีบา ร, รมีพอสมควรนะเลยอย่างหนึ่งในยุคสมัยนั้นจะไม่มีสิ่งที่อเป็นกา ร, รมฉันทะมากก็คือความยินดีในรูปรดกลิ่นเสียงมากเท่ายุคปัจจุบันเพราะการเสนอสนองนั้นน้อยกว่ากันนะจะเป็นธรรมชาติอยู่กับธรรมชาตินั่นแหละเป็นป่าเป็นเขา สภาพความมันอยู่ก็ง่ายๆไม่มีการกินที่ปรุงแต่งหรือการอยู่ที่ปรุงแต่งอไม่มีสิ่งต่างๆที่อำนวยให้เกิดราคะกิเลสเหมือนเช่นปัจจุบันนะแล้วอย่างหนึ่งผู้ฟังทำสามารถที่จะคลายตามที่พระองค์ได้ทรงแสดงเอาไว้เมื่อฟังมาแล้ ว, ลวจิตก็มีการผ่อนคลายออกจางคลายออกการคลายออกเขาเรียกว่าวิราคะ เมื่อฟังทมแล้วก็เกิดวิลาคะนิโรโทรจาโคปฏินิสัโคมุติอนารโยก็คือเกิดการคลายออกเกิดการดับไม่เหลื อ, อเกิดการสลาออกเกิดการสลัดคืนเกิดการปล่อยเกิดการทำให้ตันหาไม่มีที่อาศัยเมื่อเป็นเช่นนั้นติตก็ชําแลกจากกิเลสออกมาเป็นความผ่องใสเป็นความบริสุทธ เป็นความพ้นทุกข์ได้ในขณะนั้นเมื่อจ้างคายมาน้อยก็สามารถบรรลุเป็นพระโสดาบันหรือพระสกิทาคามีเมื่อจ้างคายมาได้มากจนหมดก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เนียก็เกิดจากในยุคนั้นที่เป็นแบบนั้นกันเพราะนั้นการที่ฟังธรรมจริงๆแล้วพวกเราก็ฟังธรรมอยู่ทุกๆวันอยู่แล้ว เช่นจากคูบาจากต่างๆบ้างหรือจากการทำวัดสวดมนต์เชา้ามืดเย็นซึ่งการทำวัดนั้นเป็นการรวบรวมเอาคำแสดงธรรมที่ผู้องคในทรงแสดงไว้ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมารวบรวมเอาไว้แล้วก็แปลเป็นไทยเพื่อที่จะให้เราได้ฟังธรรมจากผู้องค์โดยตรงๆผ่านหนังสืออีกทีหนึ่ง แทบจะทุกสูตรนะอย่างเมื่อกี้สวดมงค ล, ลสูตรไปก็ชัดเจนอ่าก็มีเทวดาก็มาถามพุณเจ้าออว่าจะทำอย่างไรจึงจะเกิดมงคลพุณเจ้าก็ได้ทรงแสดงทรมงคลสามสิบแปดประการเมื่อปฏิบัติตามนั้นก็จะเป็นมงคลอันสูงสุดนะเช <c oughs> ่นอาเสวนาจะพาลานังปันติดา น, านยัยเสวนาปูชาปูชานียานังเอตัมมังครบุมัง การไม่เสวนากัดคนพาลการครบบัณฑิตก็เป็นมงคลอันสูงสุดก็เป็นคำสอนของพระเจ้าที่มาในรูปของคำสวดมนต์ทำวัดเช้ า, ท ำ, ชาทำวัดเย็นนะหรือแม้แต่ทำวัดเช้านี่ก็ดีมากนะก็เป็นบทที่แสดงถึงพระไปรลักณ์ให้เราเห็นอย่างชัดเจนเ พ, <c oughs> เพราะฉะนั้นเมื่อเราสวดมนต์ หรือฟังทรรมใดๆก็แล้วแต่ก็ถือว่าเราฟังจากพระโอษฐของพระเจ้านะถ้าเราฟังแล้วเรามีความเลื่อมใสความศรัทธาความคลายออกความไม่ยึดติดนะการสลัดคืนต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นเหตุให้ตัณหาเนี่ยัยอยู่ในใจของเราไม่ได้เมื่อตัณหาอาศัยใน ใ, นใจของเราไม่ได้แล้วเนี่ย ความเป็นพระอริยเจ้าก็ย่อมมาเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะแต่ถ้าเราสวดแบบนกแก้วนกกุนทองนะสวดแบบเป็นพิธีกรรมก็คือจะต้องมาทำวัดเช้าทำบัดเย็นเป็นพิธีกรรมก็คือทำตามพิธีเท่านั้นเองมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรในตรงนี้เพราะไม่ได้ความเข้าใจไม่เกิดความเข้าใจไม่เกิดความกระจ่างชัดไม่เกิดการคลายออก ของความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายเพราะฉะนั้นสวดมนต์เป็น้อยปีมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพียงแต่พิธีกรรมเป็นการสวดสรรเสริญคุณพระพุทธธรรมประสงค์เป็นการาทำให้เกิดคุณความดีบังเกิดขึ้นในใจในระดับหนึ่งเท่านั้นแต่ไม่สู่ความพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นนะถ้าเราได้สวดมนต์ทำว่าวเช้าวันเย็นก็ดี หรืออ่านหนังสือในพระสูตรต่างๆในพระไตรปิฎกมากมายนะยตัวพระไตรปิฎกนั้นเป็นการรวบรวมคําสอนของพระเจ้าทุกทุกประการอยู่แล้วนะในพระไตรปิฎกนั้นมีที่เป็นคําสอนของพระเจ้าตร ง, งๆมากมายซึ่งรวบรวมขึ้นมาอโดยผ้าโนนเป็นผู้ที่รับฟังจากพระเจ้าในเยอะที่สุด นะก็ทรงเป็นผู้แสดงพระสูตรพผ่าบาลีนะเป็นผู้ที่ชำนาญในพระวินัยนะก็เป็นผู้ที่แสดงพระวินัยนะแล้วก็ภาพอภิธรรมนะก็ภาพนนท์ก็เป็นผู้ที่แสดงอีกนะเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเรารับฟังจากพระเจ้าโดยตรงในพระไตรปิฎกนะแล้วก็เมื่อเราได้อ่านได้ฟังแล้วเนี่ย เรามีความเข้าใจในระดับรหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะคลายออกจากกิเลสได้แต่เมื่อยังคลายไม่ได้ก็ทําอย่างไรนะยังคลายออกมาไม่ได้จากกิเลสนะในสมัยพุทธกาลก็จะใช้วิธีที่สองก็คือการคิดทบทวนจากคําสอนของพูดเจ้าที่ได้ทรงแสดงมาแล้วก็นํามาคิดมาทบทวนมาใครค่ครวญเมื่อใคร่ครวญ จนเกิดความเข้าใจก็จะเกิดการคลายออกจากกิเลสได้เหมือนกันก็สามารถบรรลุธรรมได้แต่เมื่อฟังแล้วคิดใครควรแล้วก็ยังไม่บรรลุธรรมก็จะทำอย่างไรต่อไปก็จะเป็นการเสวนาธรรมหรือเป็นการแสดงธรรมให้กับผู้อื่นฟังเมื่อได้แสดงธรรมเสวนาธรรมกันแล้วผู้แสดงก็จะเกิดความเข้าใจเกิดความกระจางแจ้ง เกิดความปิติเกิดสมาธิเกิดความสุขขึ้นมาใจก็เกิดการชำระ ก, กิเลสออกมาได้เกิดการคลายออกการละคลายความยึดติดทั้งหลายก็บรลุกเป็นภริยเจ้าครานี้เมื่อฟังแล้วคิดแล้วแสดงธรรมแล้วยังไม่บรรลุก็ทําอย่างไรต่อไป ก็เป็นการสาธยายคำสอนของพระเจ้าให้ตัวเองฟังการสาธยายก็คือการที่นำคำของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาแสดงอครั้งหนึ่งนะหรือเป็นการคิดทบทวนอีกครั้งหนึ่งให้ตัวเองฟังเมื่อทำเช่นนั้นแล้วมีการสาธยายทำบ่อยๆจิตก็จะเกิดการละทายความยึดติดปล่อยวางได้เช่นกันนะ ก็สามารถบรรลุเป็นภาริยเจ้าได้คราวนี้ต่อมาเมื่อมีการฟังแล้วคิดแล้วแสดงธรรมแล้วสาธยายแล้วก็ยังไม่บรรลุธรรมอีกก็จะทําอย่างไรต่อไปก็ใช้วิธีการสุดท้ายก็คือการนั่งสมาธิหรือปฏิบัติธรรมนั่นเองเมื่อนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมอันนี้ที่เป็นประการสุดท้ายเพราะอะไรเพราะในยุคนั้นยังไม่ค่อยมีผู้ปฏิบัติธรรมกันมาก เมื่อนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมแล้วเกิดการคลายออกการไม่ยึดติดก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันพระติติท า, าคาพระนาคาพระหลานได้แต่การปฏิบัติธรรมนั้นก็มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งว่าเป็นการปฏิบัติ ด, ด้วยตัณหาเป็นการปฏิบัติเพื่อที่จะเอ า, อาเป็นการปฏิบัติเพื่อให้ตัวตนไปบรรลุถึงไรสักอย่างหนึ่งมีตัวตนในการปฏิบัติทั้งนั้น ปฏิบัติเพื่อที่จะเอาสติสมาธิปัญญาเมื่อมีความอยากเอามันก็กลายเป็นตัณหาเมื่อเป็นตัณหามันก็จึงไม่คลายออกไม่เกิดเวลาคะขึ้นมาไม่เกิดการคลายออกเพราะไปบัติเพื่อที่จะเอานั่นเองความยึดมั่นในการบัตรความยึดมั่นในตัวตนก็ยังไม่ถูกคลายออกแต่เมื่อไปบัติไปแล้วถึงระดับหนึ่ง จิตก็จะเกิดการคลายออกได้เองเพราะเกิดความเข้าใจแล้วนะว่าไปบัตินี้ไม่ได้บัติเพื่อจะเอาลายแต่บัติเพื่อการละคลายความยึดติดความยึดมั่นในตัวตนก็จะเกิดการคลายออกก็บรรลุธรรมได้เหมือนกันนะแต่ว่าวิธีการทั้งสี่อย่างที่เมื่อกี้กล่าวมาก่อนที่จะถึงกา ร, รบรรลุธรรมอไม่ได้เป็นกา ร, รบรรลุเพื่อตัณหาเพื่อความยึดติดแต่เป็นการคลายออกอยู่แล้วะจึงได้ตรงตรงกว่านะ เพรในยุคก่อนจริงใช้วิธีการทั้งสี่ส่วนวิธีการปฏิบัติธรรมเป็นวิธีการสุดท้ายเพราะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติธรรมแล้วก็สามารถปฏิบัติได้เหมือนกันแต่ต้องปฏิบัติด้วยความไม่ใช่เพื่อตัณหาเพื่อความเอาเพื่อความยึดติดะเพื่อความยึดมั่นะในการปฏิบัติว่าเราไปบัติเพื่อให้ตัวตนเราสามารถบรรลุอะไรสักอย่างหนึ่งหรือถึงอะไรสักอย่างหนึ่ง เมื่อปฏิบัติธรรมแล้วเราก็เพียงแต่รู้แล้วก็ปล่อยไปตามความเป็นจริงเท่านั้นไม่ไปยึดติดในสิ่งเหล่านั้นในที่สุดนก็จะตรงตรงกันอสู่การคลายออกสู่ความเป็นเวลาะได้นะไม่ว่าจะเป็นวิธีการปฏิบัติในรูปแบบไหนในประเทศไทยนะไม่ว่าจะเป็นสายใดๆก็แล้วแต่เมือเ่อปฏิบัติรักก็ต้องมาตรงกับตรงนี้ก็คือจะต้องสู่การที่จะสามารถคลายออกจากความยึดมั่นถือมั่นยึดติด ในในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนี่ได้นะมันก็สามารถบรรลุทาได้เมื่อคลายได้น้อยก็บรรลุเป็นพระโสดาบันคลายได้มากก็เป็นพระอรหันต์เนะี่ยอันนี้นะก็ขอฝากไว้ตรงนี้ว่าเมื่อเราปฏิบัติทมแล้วเรารู้สึกตัวได้แล้วนะนะมีสติแล้วเนี่ยเราก็ต้องสามารถที่จะคลายเอาอจากกิเลสต่างๆได้นะเมื่อเราคลายออกแล้วกิเลสต่างๆก็ใส่ในใจเราไม่ได้ เพราะความโลภความโกรธความหลงที่อาศัยได้ก็เพราะว่าเราไม่ได้คลายออกแต่เมื่อเราปฏิบัติแล้วรู้สึกตัวแล้วความรู้สึกตัวนั่นแหละถ้าเรารู้สึกซื่อรู้เฉยเฉยมันก็จะคลายออกได้ในตัวมันเองเหมือนกันถ้าเราปฏิบัติแล้วรู้สึกว่ามันอ right ่มันไม่รู้เฉยเฉยไม่รู้ซื่อมันก็ใจไม่เป็นกลางะเมื่อใจไม่เป็นกลางมันก็จะคลายออกไม่ได้เพราะยังยึดติดอยู่เรื่อยๆเพราะนั้นนี้มันก็จะได้ตรงกัน ที่ว่าอ่ไม่อะไรกับอะไร น, นะการไม่อะไรกับอะไร น, นั่นแหละคือการคลายออกอยู่แล้วนะหรือว่าเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นอันนี้ก็คือการคลายออกการคลายออกจากความเป็นผู้เป็นมากลายเป็นผู้ดูแทนนะมันก็จะได้ตรงๆกันนะอันนี้ก็คือคนทางแห่งพระนิพพานนะพวกเราก็จะได้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์นะก็ขอทุกท่านถึงความพ้นทุกข์ได้โดยเลเวพันธุทุกท่านเทิด เตรียมตัวกราบพระ